พร้อมแล้วนะการทำสมาธิในวันนี้ภาคเช้าเนี่ยก็ใช้อนาปานนทติแต่ว่าจะให้ความสาคัญต่อคำสวนของพระพุทธเจ้าเป็นเกณฑ์เพราะฉะนั้นท่านต้องตั้งใจฟังพระพุทธเจ้าสอนให้เราทำสมาธิด้วยหลักของอนาปานนทตินั้นทรงให้ความสาคัญ ที่ลมหายใจแต่ทุกประโยคที่ตรัสจะต้องนำมาใช้และก็ปฏิบัติตามไม่ต้องไปสงสัยว่าทำไมต้องทำอย่างนั้นแค่เราเชื่อพระพุทธเจ้าและก็ทำตามที่พระองค์สอนแค่นั้นเป็นพอพระพุทธเจ้าสอนว่าเมื่อเราจะฝึกฝนจิตนี้ด้วยการใช้ ลมหายใจของเราที่มีปกติเขาโคจรออกและเข้าทางช่องจมูกเพราะฉนั้นเมื่อเราได้ที่มีที่นั่งแล้วสิ่งแรกเรียกว่านิสบาลังนิบนลังกังอาพุจิตวานิสดติบลังกังอาพุชิตวาเรียว่านั่งคูบ่บาลัง คำว่าคูบันลังหมายความว่าม้วนขาเข้ามาเราอาจจะนั่งเป็นขัดสมาธิก็ได้สำหรับคนที่นั่งพื้นนะนั่งขัดสมาธิก็ได้ขาขวาทับขาซ้ายก็ได้นั่งปับเพียบก็ได้แล้วมือฝ่ามือซ้ายวางซ้อนกันให้ซ้อนกันแล้วแบบสบายไม่รู้สึกเป็นภาระ แต่ใครถนัดที่จะเอามือซ้ายวางไว้ที่บนเข่าซ้ายมือขวาวางไว้ที่ข้อขวาดูแล้วถ้ามันวางแล้วสบายก็ได้เมืม่อเอามือขวากับมือซ้ายวางซ้อนเก็ดเรียบร้อยทรงจัดต่อว่าอุชุงกายยังบานิฐายะข้อนี้สำคัญมากตั้งกายให้ตรงคือยืดกายให้ตรง กายของเราให้มีกระดูกสลังตั้งฉากอยู่กับพื้นที่นั่งนี่เรียกว่าตั้งกายให้ตรงคําว่าตั้งกายให้ตรงนี้ต้องนําไปใช้เรื่อยๆเมื่อตั้งกายให้ตรงแล้วให้ดํารงสติอยู่เฉพาะหน้าคําว่าสติตรงนี้เอาเป็นว่าแปลว่าความรู้สึกของเราก่อนซึ่งแต่เดิม มันไปรู้สึกตรงโน้นตรงนี้คิดนั่นคิดนี่ไปเรื่อยแต่นักขณะนี้ห้มารู้สึกที่ใบหน้าของตนเองคําว่าใบหน้าของเราด้านบนเป็นหน้าผากด้านซ้ายเป็นแก้มซ้ายด้านขวาเป็นแก้มขวาด้านล่างเป็นคางเนื้อคางเป็นปากเนื้อปากเป็นจมูกเนื้อจมูกเป็นตาสองข้างบริเวณทั้งหมดนี้ เรียกว่าใบหน้าหรือมุขะบุญทนเราไม่ไปคิดเรื่องอะไรแล้วเราไม่ไปรู้สึกที่อื่นแล้วเรารู้สึกอยู่ที่ใบหน้าของเราเองเรียกว่ามุขบุญทนจากนั้นเรามาศึกษาเรื่องลมหายใจลมหายใจของเรามันไหลออกทางช่องจมูกไหลเข้าทางช่องจมูกในยามปกติชีวิตของเรา ไม่ว่าเราจะทำอะไรลมหายใจเขาก็ออกทางช่องจมูกนี้เขาก็จะไหลเข้าทางช่องจมูกนี้แต่เราไม่เคยรู้เขาเราไม่เคยสังเกตเขาแต่ณขณะนี้เรานั่งตรงอยู่ตรงนี้ไม่มีภารกิจอย่างอื่นตัดความกังวลห่วงใยออกไปทั้งหมดเราจะมาที่นี่ทำไมไม่ต้องไปสนใจเราจะนั่งต่อไปอีกเท่าไหร่เราไม่สนใจ เราไม่คิดไม่ใส่ใจไม่รู้สึกอะไรกับสิ่งข้างนอกทั้งสิ้นณวินาทีนี้ขณะ น, นี้เราจาลังจะไปใส่ใจลมหายใจของเราแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะใส่ใจตรงไหนบางครั้งเราก็รู้มาว่าลมหายใจของเราที่หน้าอกมั่งที่ท้องมั่งที่ปอดมั่งตรงไหนทั้งแน่ เราก็เอาเป็นว่าเรารู้สึกกับลมหายใจของเราได้ตรงไหนเราก็เอาตรงนั้นแหละเป็นที่ตั้งของความใส่ใจทีนี้วิธีวิธีแรกที่เราจะปฏิบัติสาหรับผู้ใหม่หายใจเข้าให้สุดหยุดการหายใจไว้แล้วตั้งใจว่าเราจะรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกแล้วค่อยๆปล่อ ย, ล, อยลมหายใจให้ไหลออกมาพร้อมกับ จิตที่รู้สึกต่อลมหายใจนั้นแล้วค่อยสังเกตว่าเรารู้สึกกับลมหายใจตรงไหนที่ช่องจมูกของเรานั่นแ่ะว่าเรารู้สึกกับลมหายใจของเราได้ตรงไหนที่มันชัดหายใจเข้าให้สุดหยุดการหายใจไว้ตั้งใจว่าจะรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกปล่อยลมหายใจให้ไหลออกมาแล้วคอยสังเกตความค่อยสังเกตลมหายใจของตนว่าเรารู้สึกต่อลมหายใจของเราได้ตรงไหนลมหายใจนั้นเขาไม่มี รูปร่างก็จริงแต่เขาก็มีลักษณะที่ให้สัมผัสได้จากการเคลื่อนที่ของเขาที่เรียกว่าพัดไปพัดมาไหลเข้าไหลออกหายใจเข้าให้สุดหยุดการหายใจไว้ตั้งใจว่าจะรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกและก็ถังเกตลมหายใจที่ไหลออกนั้นให้ทำอยู่อย่างนี้ให้รู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออก ไอ้ตรงที่รู้สึกนั่นะเรียกว่าที่ตั้งที่ตั้งของจิตรู้ลมหายใจเป็นสิ่งที่ถูกรู้แล้วก็จิตที่รู้ลมหายใจมันมีสามอย่างจิตที่รู้ลมลมหายใจที่ถูกรู้และที่ตั้งของจิตรู้ที่ตั้งให้นึกถึงเหมือนกับหมู่บ้านแหน่ง ที่ตั้งเป็นเสมือนกับป้อมยามจิตที่รู้เหมือนกับ ร, ปรอปพลมหายใจเหมือนกับรถที่วิ่งเข้าวิ่งออกนั้น ร, ปรอปพนั่งอยู่ที่ป้อมนั่นนะเขาสามารถที่จะรู้และเห็นลมเห็นรถที่วิ่งเข้าวิ่งออกได้วันที่ตั้งของจิตรู้เหมือนกับป้อมยามจิตรู้ก็เหมือน ร, ปรอปพ รถที่วิ่งเข้าวิ่งออกก็เหมือนลมหายใจของเราเมื่อเราได้ที่ตั้งของจิตรู้อย่างนี้ต่อไปนี้เราก็เริ่มสังเกตลมหายใจของตนด้วยวิธีการเคว้าวดูรู้นิ่งๆลมหายใจที่เราจะต้องรู้ก่อนก็คือลมหายใจออกหายใจเข้ายาวๆให้สุดแล้วปล่อยลมหายใจให้ไหลออกมาพร้อมกับรู้สึกลมหายใจที่ไหลออก ลมหายใจไหลออกเป็นอย่างไรก็รู้ไปอย่างนั้นไม่ต้องไปใส่ใจว่ามันยาวหรือสั้นแค่รู้ตามความเป็นจริงมันไหลออกมาเท่าไหร่ก็รู้เท่านั้นหลังจากนั้นก็รู้ลมหายใจที่ไหลเข้าแล้วก็รู้ลมหายใจที่ไหลออกรู้ลมหายใจที่ไหลเข้า แล้วก็รู้ลมหายใจที่ไหลออกรู้ไปเรื่อยๆอย่างนี้จนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาแล้วค่อยมาต่อกันภาคบ่าย หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ตัดความกังวลตัดความคาดหวังความกังวลว่าเราจะไปไหนเราจะทำอะไรเราจะเป็นอะไรเนี่ยไม่ต้องไปไปกังวลมันปลดเปลื้องมันออกไปความกังวล น, นั้นให้มีแค่จิตที่รู้กับลมหายใจที่ถูกรู้และที่ตั้งของจิตรู้เท่านั้น ไม่ต้องไปกังวลว่ามันนั่งไปนานไหมและไม่ต้องไปสงสัยว่าเราจะได้อะไรไม่ต้องไปตั้งคาถามคาตอบให้กับตัวเองเอาเพียงแค่ว่าณขณะ น, นี้เราแค่รู้ลมหายใจที่ไหลออกแค่รู้ลมหายใจที่ไหลเข้า ไม่ต้องไปสงสัยว่ารู้แบบไหนก็คือมันเป็นแบบไหนก็รู้แบบนั้นหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้เกิดความปวดความขบความเมื่อยความเหน็บขึ้นณนะส่วนใดๆก็ตามก็พึงพึงรู้ว่ามันเกิดขึ้นอย่าไปขยับอย่าไปขยับมันบ่อย แค่รู้ว่ามันปวดตรงนั้นมันชาตรงนี้รู้เสร็จแล้วทํำยังไงรู้เสร็จแล้วก็ปล่อยมันไว้ยกกลับมาตั้งอยู่ที่จิตรู้แล้วก็รู้ลมหายใจไม่มันปวดอีกก็วางมันไว้แล้วมารู้ลมหายใจมันปวดอีกก็วางมันไว้แล้วมารู้ลมหายใจมันปวดอีกก็วางมันไว้มันรู้ลมหายใจ มันปวดเพิ่มขึ้นก็แค่รู้ว่ามันปวดเพิ่มขึ้นหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ เราคว้าสังเกตรู้ลมหายใจของเราเป็นหลักแต่ว่าร่างกายของเราเราจะสังเกตได้ว่ามันบีบคั้นเหลือเกินโดยเฉพาะเวทนาความปวดความเมื่อยความเจ็บความคันความชารวมเรียกว่าทุกเกิดการบีบคั้นขึ้นมาที่กายไอ้นั่นมันเป็นความจริงอย่างหนึ่งว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่อะไรอื่นมันเป็นแค่ก้อนของทุกก้อนหนึ่งเท่านั้นเอง ที่อยู่นิ่งๆแล้วมันก็จะโผล่ออกมาอยู่นิ่งๆแล้วมันจะโผล่ออกมาเวลาเราชีวิตปกติเราไม่ได้มานั่งฝึกจิตอย่างนี้ทุกเหล่านี้ไม่ค่อยได้ออมีโอกาสโผล่มาหรอกเพราะเราจะกลบเกลือนปกปิดด้วยอิริยาบถเพราะเมื่อเราก็ขยับอย่างนั้นชาเราก็ขยับอย่างนี้ปวดเราก็ขยับอย่างโน้นการขยับไปขยับมาเขาเรียกว่าอิริยาบถมันปกปิดความทุกข์ ที่จะโผล่ออกมาแต่พอเราตั้งนิ่งๆเฉยๆเดี๋ยวมันก็โผล่มาแล้วโผล่ที่เท้ามั่งที่ขามั่งที่แขนมั่งที่หลังมัง่งเราก็จะได้เห็นความเป็นจริงของกายอันนี้ว่ามันเป็นก้อนทุกข์อย่างนี้แหละแต่เราจะไม่ยอมแพ้มันยังไงเราก็ไม่ตายยังไงเราก็ไม่พิการมันปวดก็ปวดไปแค่รู้ว่ามันปวดตรงนั้นไล้ยกกลับมารู้ลมหายใจ ยกกลับมารู้ลมหายใจให้ได้อย่าปล่อยให้ลมหายใจไหลออกโดยที่เราไม่รู้อย่าปล่อยให้ลมหายใจไหลเข้าโดยที่เราไม่รู้ถ้าลมหายใจไหลออกและเราไม่รู้นั่นเราเสียโอกาสเพราะลมหายใจที่ไหลออกไปนั้นจิตเรากําลังหลงถ้าเราไม่รู้ลมหายใจที่ไหลออกเมื่อใดเมื่อนั้นจิตเราก็ตกอยู่ใต้อํานาจของความหลง ความหลงมันจะก่อให้เกิดความคลุ้งซ่านมั่งเกิดการปรุงแต่งให้เกิดความคิดไหลออกไปในเรื่องต่างๆซึ่งมันมีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วในชีวิตปกติแต่วันนี้เราจะไม่พาใจเราไปตกใต้อำนาจของความหลงเราไม่ใช่นั่งเพื่อเอาความหลงเราไม่ใช่นั่งเพื่อเอาตันหาเราไม่ใช่นั่งเพื่อเอาอุปาทานเอ า, อาวิชา แต่เรานั่งเพื่อจะเริญสติเพื่อให้จิตของเรารู้การไหลออกของลมหายใจให้จิตของเรารู้ลมการไหลเข้าของลมหายใจหายใจไหลออกรู้หายใจไหลเข้ารู้หายใจไหลออกรู้หายใจไหลเข้ารู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆ พอมันปวดเหยาใจไปแช่นะอย่างเช่นว่ามันปวดตรงหัวเขา่าพอปวดตรงหัวเขา่าใจเราไปรู้สึกปวดและก็แช่แช่ความรู้สึกของตัวเองไว้ตรงที่ปวดมันก็จะทำให้รู้สึกว่ามันปวดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นและในที่สุดใจเราก็ปวดด้วยและเราจะไม่มีความอดทนกับมันถ้ามันปวดที่หัวเขาก็รู้ไว้ว่าความปวดเกิดขึ้นตรงเข่าของเรา เราจะวางความปวดนั้นไว้ที่เขาแล้วยกจิตเรากลับมาเพื่อรู้ลมหายใจการทําอย่างนี้จะให้จิตเกิดตาบะเกิดความอดทนขึ้นมันจะแยกความรู้สึกออกมาจากความปวดมันจะชาก็ปล่อยมันไปมันจะเมื่อยก็ปล่อยมันไปมันจะคันก็ปล่อยมันไปมันจะปวดก็ปล่อยมันไปลองปล่อยมันไป ยกจิตกลับมารู้ลมหายใจ ออกมาเกิดเคลื่มเกิดเคลื่มหรือความห่วงที่เรารู้สึกตัวได้นะให้ยืดตัวให้ตรงก่อนยืดตัวให้ตรงหายใจให้ยาวแล้วก็ปรับลมหายใจให้ปกติจิตก็รู้ลมหายใจไหลออกรู้ลมหายใจไหลเข้าต่อไปพอเรายืดตัวตรงจิตมันก็จะตื่นออกมาจากความเคลื่อมอย่าปล่อยความเคลื่มครอบงําจิตจนเอาไม่อยู่ การที่ยืดตัวตรงแล้วให้จิตตื่นเอาสติไปจับลมหายใจให้ตื่นออกมาจากความเคลื่อได้นั่นคือการสู้กับนิวรณปล่อยให้ความเคลื่เกิดขึ้นจิตเอาไม่อยู่นั่นคือสติปราศจากให้จิตปราศจากสติแล้วความห่วงก็จะชนะเราก็พ่ายแพ้ต่อ น, นิวรณยืดตัวให้ตรงประคองลมหายใจให้ยาว จะปรับลมหายใจลงมาแล้วก็รู้ลมหายใจที่ไหลออกรู้ลมหายใจที่ไหลเข้า อ๋อค่อยค่อยรูลมหายใจไหลออกรูลมหายใจไหลเข้าหลังจากนั้นยกจิตที่รู้มาที่มือข้างขวาขยับปลายนิ้วมือขวาให้จิตรู้สึกที่ปลายนิ้วมือขวาขยับแล้วค่อยคยกมือขวาขึ้นเคลื่อนออกไปช้าๆ้าวางไว้ที่ข้อขวาแล้วค่อยคยกมือซ้าย เคลื่อนไปวางไว้ที่ข่าซ้ายและหลังจากนั้นโผลหน้าขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็ลืมตาออกสมาธินี่พักเชา้า